เท่านผู้มีจิตศรัทธามีใจใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13รสพฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจทาง ศาสนาที่พระบรมศาสดาพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้พาเราไปสู่ที่ดีเพราะชีวิตของเรานั้น <c oughs> เป็นการเดินทางเป็นการเวียนว่ายตายเกิดเวลา ม, มีการมา และมีการไปถ้าการมาและการไปเป็นการมามาดีไปดีก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญถ้ามาไม่ดีไปไม่ดีก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสือ่อมดังนั้นเราจึงต้องประพฤติปฏิบัติตาม ก็ทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้มาดีและไปดีคําว่าดีในสถานที่นี้หมายถึงสุกติเวลาที่คนตายไปเรามักจะพูดเสมอว่าขอให้ไปสู่สุกติก็คือขอให้ไปดีสุกติส่วนคําว่าไม่ดีก็คือทุกติคือการไปไม่ดี สุขติก็คืออบายนั่นเองมีเดราชานเปรตอสุลกายนั่นนากคือที่ที่ไปของผู้ที่ไปไม่ดีส่วนสุขติก็คือมนุษย์เทพพรมอริยบุคคลมรรคผลนิพพานนั่นคือที่ที่ไป ของผู้ที่ไปดีคนเราท่านจึงได้แยกแยะไว้ว่ามีอยู่สี่ประเภทด้วยกันคือพวกที่มาดีไปดีหนึ่งพวกที่มาดีไปไม่ดีสองพวกที่ <c oughs> มาไม่ดีแต่ไปดีและพวกที่มาไม่ดีไปไม่ดี คนมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันเราจะอยู่ประเภทไหนก็ขอให้พิจารณาดูการมาดีนั่นก็หมายถึงว่ามาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านได้บำเพ็ญบุญบารมีทำดีมาทุกภพกทุกชาติจน พบสุดท้ายของเป็นมนุษย์ก็ได้บำเพ็ญเป็นพระเวทสำนรท์ทำบุญทำทานอย่างมากมายไม่เสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองภรรยาบุตรทีดาถ้ามีใครต้องการขอให้บริจาค ก, ก็ทรงบริจาคให้เพื่อทานบารมีหลังจากที่ได้ตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ เมื่อหมดบุญที่ได้บงเพ็ญไว้สำหรับที่จะอยู่บนสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดเป็นราชโอรสเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็บาเพ็ญบุญต่อออกบวชปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระาอารหันตรถสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เมื่อทรงเสด็จดับขันธปรินิพาน ก็ได้ไปสู่พระนิพพานอย่างนี้เรียกว่ามาดีและไปดี <c oughs> พวกเราบางคนอาจจะมาดีและอาจจะมาไม่ดีขึ้นอยู่กับอดีตชาติขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติถ้าเราทำดีเราได้ไปเกิดบนสวรรค์ <c oughs> เมื่อหมดบุญเราก็ได้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีความแตกต่างกับผู้ที่มาไม่ดีผู้ที่มาไม่ดีก็คือผู้ที่ได้ทำบาป ท, ทำกรรมไว้ในอดีตแล้วต้องไปใช้กรรมในอบายเมื่อหมดกรรมก็ได้กลับขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันแตกต่างกันคนที่มาดีมาเกิดเป็นมาจากสวรรค์มักจะมีบุญบารมีติดตัวมาด้วย ส่วนผู้ที่มาจากอบายมาเกิดเป็นมนุษย์มาไม่ดีก็มักจะไม่มีบุญบารมีติดตัวมารูปร่างหน้าตาก็สู้คนที่มีบุญบารมีไม่ได้สติปัญญาความฉลาดก็สู้ไม่ได้ฐานะการเงินการทองก็สู้ไม่ได้นี่คือลักษณะของผู้ที่มาดีและมาไม่ดี ส่วนมาแล้วจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อจะไปดีหรือไม่ดีนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามาแล้วมีอุปนิสัยเดิมติดตัวมาอยู่ชอบทำความดีชอบทำบุญไม่ชอบทำบาปไม่ชอบอบายามุขต่างๆก็จะมุ่งไปสู่การทำความดีทำบุญทำทาน เหล็กเลี่ยงเรืเร่รองอบายามุกทั้งหลายเช่นการเสพสุราย า, มาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้เรียกว่าเรามาบำเพ็ญเพื่อการไปดีต่อไปแต่ถ้าเราไม่สนใจเรื่องการมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรม มัวแต่ไปเที่ยวไปเล่นไปดื่มไปกินไปหาความสุขชั่วขณะของที่มีที่มีโอกาสที่ได้เสพได้สัมผัสเมื่อตายไปก็จะไปไม่ดีเพราะไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลสะสมบรารมีไปไปก็จะไปสู่ที่ต่ำเพราะในขณะที่เรา อยู่ในโลกนี้เราก็จะทำบาปทำกรรมควบคู่ไปกับการหาความสุขทางทางโลกเสพสุรายาเมานี่ก็เป็นการหาความสุขทางโลกเมื่อเสพสุราไปแล้วก็เกิดอาการมึนเมาก็จะไปทะเลาะวิวาทไปมีเรื่องมีราวใจจะไปประพฤติผิดประเวณีทำบาปทำกรรม ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็จะไปไม่ดี <Yeah. S 1> นี่คือลักษณะของคนต่างๆมีทั้งมาดีไปดีมาดีไปไม่ดีมาไม่ดีแต่ไปดีมาไม่ดีและไปไม่ดี mm hmm. เรื่องการมานี้เป็นเรื่องของอดีตเราไปบังคับไม่ได้เราไปแก้ไม่ได้ เพราะในอดีตเราเคยทำมาแล้วถ้าเราทำดีทำบุญทำกุศลเราก็จะมาดีถ้าเราทำบาปทำกรรมเราก็จะมาไม่ดีแต่การไปนี้เราสามารถควบคุมบังคับได้เพราะอยู่ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเรามันทำความดีอยู่เรื่อยๆทำบุญละบาป ฟังเทศฟังธรรมกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงเราก็จะไปดีต่อไปดีที่สุดก็จะไปถึงพระนิพพานดังที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงเป็นสิ่งที่อยู่ในเอื้อมมือของเราอยู่ในวิสัยของเราเพราะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเรามี พระาศาสดาคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีกายเรามีใจที่พร้อมที่จะปฏิบัติที่พร้อมที่จะนำที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อหรือไม่มีวิริยะความความขยันหมั่นเพียร ที่จะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรายังไม่เชื่อเราก็ควรที่จะฟังทำให้มากมากขึ้นควรเข้าหาพระสุปฏิบัณโนหาพระที่รู้จริงเห็นจริงถ้าได้ยินได้ฟังจากพระที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะเกิดศรัทธาเพราะท่านพูดด้วยความมั่นใจท่านพูดด้วยความถูกต้องมีเหตุมีผล เราฟังแล้วค้านไม่ได้มีแต่จะต้องยอมรับโดยถ่ายเดียวเมื่อเราเกิดศรัทธาแล้วเราก็จะมีความฉันทะคือความพอใจความยินดีที่จะปฏิบัติเมื่อมีเฉนฉันทะแล้ววิริยะคือความอุตสาหะความภาคเพียรก็จะตามมา เมื่อเราได้บำเพ็ญไปแล้วเราก็จะเห็นผลที่เกิดจากการบำเพ็ญก็จะยิ่งสร้างให้มีฉันทะมีวิริยะเพิ่มมากขึ้นไปอกีกคยปฏิบัติเพียงเล็กๆน้อยๆก็จะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะหาเวลาปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปถ้ามีภารกิจการงานที่ไม่จำเป็นถ้ามีฐานะดีพอ ที่ไม่ต้องไปแสวงหาเงินหาทองก็จะหยุดการทำงานทำการจะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นไปและเมื่อได้เห็นผลมากยิ่งขึ้นไปก็จะพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในฐานะของขรหัสผู้ครองเลือนเพื่อจะได้ออกบวชตามเสด็จ พระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเสด็จไปก่อนหน้านี้แล้วพระองค์ก็ทรงบงเพ็ญอย่างนี้เช่นกันเพียงแต่พระองค์ไม่ต้องมีครูมีอาจารย์สอนให้เกิดศรัทธาเพราะทรงได้บงเพ็ญบุญบา ร, รมีเช่นปัญญาบา ร, รมีมามากจนสามารถเห็นได้ด้วยตนเองว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข การที่จะพบกับความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะต้องหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้และการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ก็ต้องลดต้องละตันหาความอยากต่างๆถ้ายังคลองครองเรือนอยู่ยังมีความอยากในสิ่งต่างๆอยู่ก็จะไม่สามารถดิ้นหลุดจากบ่วงของมานบ่วงของ ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องสละต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปเช่นความอยากในการคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอยากดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอาหารต่างๆเครื่องดื่มต่างๆอย่างนี้จะเป็นบ่วงที่จะคอยรัดจิต ไม่ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดต้องสลัดให้ได้คือกามตัญหาและต้องสลัดภาวะตัญหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นดาราอยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญนับถือเหล่านี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็น ต้องอย่าไปอยากเราเป็นอะไรของเราอย่างไรก็ให้มีความพอใจกับฐานะของเราใครจะสรรเสริญใครจะชื่นชมยินดีมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงไปความดีความเลวของเราอยู่ที่การกระทำของเราต่างหากถ้าเราอยากจะให้ตัวเราดีขึ้นก็ทำความดีให้มากขึ้นส่วนคนอื่นจะเห็นจะรู้หรือไม่ จะชื่นชมยินดีหรือไม่นั้นไม่สำคัญอะไรเพราะความสุขที่เราได้รับจากการทำความดีนั้นมันมากกว่าความสุขที่ได้รับจากการชื่นชมยินดีสรรเสริญของผู้อื่นอย่างนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปอยากมีอยากเป็นอะไรใครจะดูถูกเหยียดหยามเราว่าเราไม่มีฐานะไม่มีตาแหน่ง ไม่มีอะไรก็ไม่ก็ไม่ได้ทำให้เราเลวลงไปถ้าเราดีอยู่เรามีความสุขมีความภูมิใจกับการทำความดีของเราคนอื่นจะดูถูกเหยียดย้มเราอย่างไรว่าเราไม่มีตำแหน่งไม่มีฐานะอะไรเลยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเราต้องพยายามทำความดีให้มากแล้วเราจะเกิดความภาคภูมิใจ แล้วเราจะไม่มีความอยากมีอยากเป็นอยู่เฉยๆของเราอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องให้ใครมามารักมาชื่นชมยินดีมาสรรเสริญเพราะความอยากมีอยากเป็นนี้จะทำให้เรามีความทุกข์พออยากได้แล้วเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปเดินรนต้องไปกราบไปไหว้ไปยกมือไหว้คนนั้นคนนี้ ไปขอเสียงจากคนนั้นจากคนนี้ขอการสนับสนุนจากคนนั้นจากคนนี้เมื่อได้มาแล้วก็ไม่จีรังถาวรได้มาไม่กี่เดือนกี่ปีก็หมดวาระไปก็ต้องไปหามาใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเรี่ยวหริมีแรงที่จะหาต่อไปจึงจะหยุดหาแต่ใจก็ยังดิ่นรนอยู่ ใจก็ยังอยากเป็นอยากมีอยากเป็นอยู่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากมีอยากเป็นแล้วเราจะมีความสุขสบายใจเราไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปไหว้ใครไม่ต้องไปข อ, อการสนับสนุนจากใครเราสามารถอยู่ตามอัตภาพของเราได้มีความสุขตามอัตภาพของเราได้แต่เราจะไม่มีความทุกข์ความกังวล ความความดิ้นรนทยอทยานนะนี่คือตัวหนึ่งตัณหาตัวหนึ่งที่จะฉุดลากให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าเรายังมีความอยากมีอยากเป็นอยู่เมื่อตายไปจิตของเราก็ยังอยากจะไปต่อ mm. มันก็จะไปเกิดใหม่ไปตามกำลังของบุญและกรรมแต่ถ้าเราไม่มีความอยากอยู่ในใจ บุญกรรมก็จะไม่มีกําลังที่จะผลักดันให้เราไปเกิดได้เหมือนกับรถยนต์ถึงแม้จะเติมน้ํามันเต็มถังแต่ถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องไม่ขับรถเสียอย่างรถก็วิ่งไปไม่ได้ถึงแม้จะมีเชื้อเพลิงอยู่เต็มถังอยู่ก็ตามแต่คนขับไม่สตาร์ทรถไม่ติดเครื่องไม่ขับรถรถก็วิ่งไปไม่ได้ เพราะคนขับไม่มีความอยากที่จะไปไหนอีกต่อไปนั่นเองเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปความอยากนอกจากการมาตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็ต้องละความอยากอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากคือความอยากไม่เป็นไม่มีเช่นอยากไม่รวยอยากไม่จน อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งนี้มันสิ่งที่เราห้ามกันไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่จะต้องใช้กรรมเก่าใช้บาปก็ต้องตกทุกข์กได้ยากได้เหมือนกันและก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็จะมีแต่ความทุกมความวุ่นวายใจ เวลาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราไม่เราไม่มีความอยากคือเรายอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ไม่ดิ้นหนีความแก่ความเจ็บความตายใจของเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่คนที่ยังต้องดิ้นหนีความ แก่ความเจ็บความตายก็จะต้องดิ้นหนีไปหาร่างใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะคิดว่าได้ร่างใหม่แล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอได้มาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงประพฤติปฏิบัติสะละราชสมบัติออกบวชปฏิบัติอยู่ถึงหปีด้วยการต่อสู้กับความอยากต่างๆ จนไม่มีความอยากอะไรหลงเหลืออยู่ในพระทัยเลยจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเพราะใจไม่มีความอยากเหลืออยู่แล้วนะเมื่อตายไปก็จะอยู่ในพระนิพพานไปตลอดอนันตกาลพระนิพพานนี้ก็คือสภาพ ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้เองไม่ได้เป็นอะไรใจที่ไม่มีความอยากต่างๆไม่มีกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ได้สูญหายไปไหนเหมือนใจขอ ง, ของพวกเราเพียงแต่ว่าใจของพวกเรายังไขวยคว้ า, ย, ายังต้องการสิ่งต่างๆอยู่เมื่อตายไปก็ต้องไปหาสิ่งต่างๆที่เราต้องการอยู่ ด้วยการไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมหรือเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกตามบุญตามกรรมที่เราทำไว้ในในแต่ละภพแต่ละชาตินะดังนั้นถ้าเราอยากจะไปดีไปสู่มรกผลผนิพพานโดยผ่านการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหม เราก็ต้องหมั่นทําความดีเราต้องละบาปถ้าเราไม่อยากที่จะไปตกนรกไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดราฉาน mm hmm. เพราะภพชาติต่างๆที่เราต้องไปเกิดนั้นเกิดจากการกระทําของเราเท่านั้นไม่ได้เกิดจากใครทั้งสิน้นไม่มีใครสามารถจะสาบแช่งให้เราไปตกนรก และไม่มีใครสามารถที่จะวิงวอนให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้เพราะภพชาติต่างๆนั้นเกิดจากการกระทาของเราทางกายวาจาและใจเท่านั้นถ้าเราหมั่นทำความดีไม่ทำบาปเราก็จะไปสุขติไปดีถ้าเราไม่ทำความดีทำแต่บาปทำแต่กรรม เราก็จะไปสู่ทุกขติไปสู่อบายไม่มีใครจะช่วยเราได้ต่อให้ห้อยพระราคาเป็นล้านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะกรรมนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปหักห้ามได้ไม่มีใครอยู่เหนืออำนาจของกรรมได้นอกจากผู้ที่ไม่กระทากรรมเท่านั้น เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ทำกรรมอีกแล้วหลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์จิตของท่านไม่ทำกรรมอีกต่อไปการกระทำของท่านเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นเองเพราะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยาก ต, ต่างๆเป็นตัวผลัดันเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จะ ไม่ต้องไปเกิดในที่ไหนอีกต่อไป เ, เมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเพราะเมื่อไม่เกิดแล้วก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันถ้ายังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดดีขนาดไหนเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องสิ้นต้องจากการเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีไปนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการมาการไปของพวกเราพวกเราโชคดีชาตินี้ที่ได้มาได้มาเจอพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะถ้าเราไม่ได้เจอแล้วเราจะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเรื่องของการไปดีมาดีหรือไปไม่ดีมาไม่ดีแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเราจะรู้ว่าการไปดีมาดีหรือไปไม่ดีมาไม่ดีนั้นเกิดจากการกระทำของเรานั่นเองเกิดจากการกระทำดี หรือการกระทาที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเราอยากจะไปดีเพราะเรามาดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะไปดีและกลับมาดีกว่าเดิมหรือไม่ต้องกลับมาเลยเราก็ต้องมุ่งมั่นทำความดีให้ ม, มากๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเลยก็ต้องตัดความอยากให้หมดออกหมดสิ้นไปจากใจตัดการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหา ให้หมดไปจากจิตจากใจด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทาบุญให้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาจเจริญสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบจเจริญวิปัสสนาทำจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริง <Yeah. S 1> เมื่อได้บำเพ็ญแล้วรับรองได้ว่า ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราจะหมดสิ้นไปได้อย่างแน่นอนขอให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมีความแ น, วแน่วแน่ต่อการปฏิบัติรับรองได้ว่าในภพนี้ชาตินี้เราก็จะสามารถทำภารกิจที่เราต้องทำให้หมดสิ้นไปได้เพราะมีคนอื่นเขาทำกันได้ทำไมเราจะทาไม่ได้ ที่ทำไม่ได้ก็เพราะเราขาดศรัทธาขาดฉันทะความยินดีขาดวิริยะความขยันหมั่นเพียรความภาคเพียรเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยการฟังเทศฟังธรรมจากผู้รู้จริงเห็นจริงฟังอยู่บ่อยๆฟังแล้วนำเอาไปไข้ครวญเอาไปพินิจพิจารณาอย่าฟังแล้วลืม พอฟังแล้วถ้าไม่ไปคิดเดี๋ยวก็จะลืมได้ฟังแล้วต้องเอาไปคิดต่อคิดอยู่เรื่อยๆเมื่อคิดอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เรานำไปปฏิบัติได้เมื่อนำไปปฏิบัติก็จะได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขของจิตใจเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ เมื่อได้สัมผัสกับความสุขแล้วความสุขในใจแล้วก็จะกล้าที่จะตัดความสุขภายนอกออกไปไม่แสวงหาความสุขภายนอกอีกต่อไปไม่ไปหาเงินหาทองไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผุดถะะแต่จะหาความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเท่านั้นแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็ว จิตของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา